เคยมาไมเคยเคยเลยเคยฝึกมาจากไหนเดี๋ยวนี้คนยังเยอะไหมมา้าสูงมแต่ก่อนหนูพ่อท่านอยู่คนเยอะเคยฝึกกันมาแบบไหนคนที่ยังไม่เคยมาเคยปฏิบัติไหมทางนี้ลหละเคยฝึกกันมาบ้างไหมเคยเลย ฝนะึกมายนโอมายิธีการปฏิบัติจริงๆนะไม่ยากอะไรหรอกถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติซะก่อนแล้วมันง่ายถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะนะเราก็จะทําสเป ส, สปะไปเรื่อยๆไม่รู้ทิศทางเน้ต้องรู้จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติในาศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะ ถ้าพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ก็ก็ดีนะเป็นสภาวะอุดมคติมีการที่จิตใจจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงไดนะ้เป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่หนึ่งก็คือจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เราอย่าไปว่าภาพพระโสดาบันจนน่ากลัวผิดความเป็นจริงพระโสดาบันคือผู้ที่สามารถละถความเห็นผิด ว่ากายกับใจนี่คือตัวเราละความเห็นผิดอันนี้ได้ใครที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยละได้เด็ดขาดเนี่ยเขาเรียกว่าพระโสดาบันนี่ทำยังไงถึงจะละความเห็นผิดได้มีทางเดียวต้องเห็นให้ถูกแท้จริงกายกับใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรละแต่เรามีความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเรามันต้องเห็นให้ถูก ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปคิดนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปคิดนำเลยเพราะของจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราเห็นผิดทันนั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องเห็นให้ถูกคอยรู้กายคอยรู้ใจตามความเป็นจริงบ่อยๆการที่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเรียกว่าวิปัสนาเคยได้ยินไหมใครรู้จักไหมวิปัสนาว <laughs> ิปัสนาไม่ได้แปลว่านั่งหลับหูหลั บ, ลบตานะ มีศัสนาเนี่ยก็คือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงงั้นเราอย่าไปวาดภาพว่ามันคืออะไรที่พิลึกพิลึกเกินจริงงั้นการที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอาต้องรู้จริจรงๆหน้าที่ของเราทํำยังไงถึงจะรู้ได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตามรู้บ่อยๆ คอยะระลึกรู้กายบ่อยๆแระรึกรู้จิตใจบ่อยๆแระรึกรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปดัดแปลงเขาผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะมุ่งดัดแปลงจิตใจเคยเคลื่อนไหวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็จะให้มันสุขถาวรจะให้มันดีถาวรคิดจะทําแต่สิ่งอย่างนี้คิดว่าถ้ามันสุขถาวรได้ดีถาวรได้เราจะได้มีความสุข แท้จริงแล้วมันสุกถาวรไม่ได้มันดีถาวรไม่ได้เพราะมันเป็นของเสื่อมเิงเของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายดับไปนะคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกสุดเลยต้องรู้สึกตัวถ้าเราลืมตัวเองเราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ต่อมาการรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ไปตามธรรมดาไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับนั่งควบคุมแก้ไขดัดแปลงรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆ ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นจริงๆเราก็จะเห็นกายกับใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่มีคําว่าบังคับไม่ได้อนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งบังคับให้ได้พวกเรามักจะฝึกพยายามบังคับให้ได้เช่นอยากนั่งสมาธิอยากนั่งให้ได้นานๆนะไม่ต้องขยับยิ่งโตรุ่งได้ยิ่งดียิ่งนั่งได้หลายๆวันยิ่งดีแต่สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็ต้องขยับ แต่ทั่งเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันพอเช้าวันที่แปดก็ต้องขยับแล้วไม่มีสภาวะอะไรที่ทนอยู่ได้สักอันเดียวเลยเนีย่ยหน้าที่ของเรารู้สึกตัวไว้ะสิ่งแรกที่ต้องทําคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจของเราชอบหลงไปชอบเผลอไปจิตใจมีช่องทางที่จะหลงไปเผลอไปหกช่องทางนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางตาเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขา เราเห็นคนเดินมาเรารู้เลยใครมาเรารู้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่รู้หมดเลยหมาแมวมาเราก็รู้ขณะที่เราไปดูเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเราเองนั่งฟังหลวงพ่อพูดไหยฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องนะเคยรู้ไหมที่เราฟังรู้เรื่องเนี่ยเพราะเราฟังไปคิดไป เราฟังสลับกับคิดนะถ้าหากเราฟังแล้วเราก็ไปคิดคิดไปเรื่อยนะเราก็ลืมกายลืมใจของเราเองอีกขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดเราลืมตัวเราเอง <S <S ขณะที่เราได้กลิ่นสมมติว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมเที่ยวสนใจไว้กลิ่นอะไรนะหอมจริงเที่ยวไปเดินหาดอกไม้หอมขณะนั้นเราก็ลืมตัวเราเองอีกขณะได้รถทานอะไรอร่อยอร่อยนะ รสอร่อยกระทบกับลิ้นเราเลดเพลิดหอใจเราก็ลืมตัวเราเองเองีกเรานั้นเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันเลยที่อยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปคิดแปรดีคิดแปรนักโทก็ลืมตัวเองอีกเราลืมตัวเองทั้งวันในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวนี้แทบไม่มีเลยมีแต่คนที่ตื่นมาแต่ตัวพอตื่นปุ๊บก็ใจฝันไปเลยใจคิดไปคิดทั้งวัน เมื่อเราไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงความคิดไม่ใช่ความจริงเราก็รู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะคือของจริงนั้นอยากเห็นธรรมะนะรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้ลงที่กายกายจะแสดงธรรมะให้ดูรู้ลงที่ใจใจก็แสดงธรรมะให้ดูอย่าเราคอยรู้กายเราไว้เรื่อยๆ เ, เราจะเห็นเลยร่างกายเนี้ยจริงๆเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะ มีวัตถุมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกทั้งวันเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้าทําไมต้องหายใจแล้วมันทุกข์กายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์เช่นมันหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์มันต้องหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์อีกแล้วมันต้องหายใจเข้ามันมีแต่เรื่องทุกข์ ล, ล้วนๆเลยเรานั่งอยู่สบายๆนั่งอยู่ดานไม่ได้ เดต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์มันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำไมต้องกินข้าวเพราะว่ามันทุกข์ต้องกินข้าวแก้ทุกข์ทำไมต้องไปขับถ่ายเพราะมันทุกข์ต้องไปขับถ่ายแก้ทุกข์เดี๋ยวถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเรื่อยๆเห็ น, นกายนี้มันตัวทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวดีเลยมันเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุก็จริงแต่มันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นวัตถุมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นตัวทุกข์ให้เราคอยรู้สึกอยู่เราก็จะเห็นความจริงของร่างกายไม่เที่ยงอยู่ในอิริยาบทใดอริยาบทหนึ่งก็ไม่ได้นานไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันสุขตลอดก็ไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับที่นิ่งๆตลอดก็ไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงนี่เรียกว่าเราเห็นความจริง งแบบั้ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเราก็เห็นความจริงของกายเรามีสติรู้อยู่ที่ใจของเราเราจะเห็นเลยจิตใจของเราแต่ละช่วงเวลาไม่เคยเหมือนกันสักทีอย่างตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆกับความรู้สึกตอนนี้ไม่เหมือนกันรู้ออกไหมพวกที่มาใหม่ๆรู้สึกไหมตอนที่มาถึงวัดกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนมาถึงวัดตื่นเต้นนะเอะอะโวยวายตอนนี้นิ่งๆรู้สึกไหมไม่เหมือนกัน ตอนทานข้าวกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนทานข้าวกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันค่อยดูไปค่อยหัดสังเกตไปจิตใจของเราแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยแต่เดิมเราคิดว่าจิตใจเราเป็นคนใจมั่นคงรักเดียวใจเดียวจิตใจมั่นคงถ้าหัดเจริญสติรู้อยู่ที่ใจจะรู้เลยหาคนใจง่ายเท่าเราไม่มีหรอกแต่เราเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนใจตลอดนะ อย่างสาวๆเนี่ยหนุ่มมาบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนใจไม่จริงนะฮะไอหนุม่มคนนี้ถ้าไม่โกหกก็คือผู้หลงผิดนะนแค่ผู้หลงผิดเท่านั้นถ้าสังเกตให้เดียวใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยตามรู้ตามดูไปขณะนี้กับตอนตื่นนอนก็ไม่เหมือนกันนะตอนออกจากบ้านกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้กับตอนมาถึงวัดก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้กับตอนทานข้าวไปเหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันสักตอนค่อยๆหัดรู้ไปในที่สุดเราจะค่อยๆรู้จนกระทั่งรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทําไมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรถ้าเราหัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะรู้เลยมันเปลี่ยนเพราะมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายสัมผัสด้วยใจเราคิด ความรู้สึกก็เปลี่ยนดันั้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบอย่างเราเห็นมองเห็นตามองเห็นตามองเห็นสาวสาวสวยๆหนุ่มๆเห็นสาวสาวสวยๆใจมันชอบนละ้ใจทีแรกมันเฉยๆตอนนี้ใจมันชอบใจมันไม่เหมือนเดิมลนะหันไปอีกทีหนึง่งเขามีแฟนแล้วอิจฉาแฟนเขาอีกนะแต่เดิมไม่ได้อิจฉาตอนนี้อิจฉาใจมันเปลี่ยน หรือเห็นศัตรูเดินมาเกลียดหน้ามันความเกลียดเกิดขึ้นใจที่แรกเฉยๆตอนนี้เกลียดให้หัดตามรู้ไปอย่างนี้จิตใจของเราเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนสาวๆก็กระทบอารมณ์ก็เปลี่ยนสมมติเห็นหนุ่มหล่อๆใจมันชอบเห็นคนนี้หน้าตาน่ากลัวมีหนวดมีเคราหน้าตาน่ากลัวตัวใหญ่ๆดำๆเห็นแล้วกลัวแต่เดิมไม่กลัวตอนนี้กลัว เห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะความรู้สึกมันเปลี่ยนพั่นความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบนะตาเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นเราฟังเพลงเพราะๆหรือฟังคนมาพูดชมเรานะแม้มันสบายใจมันมีความสุขมันชอบนะฟังคนเขาด่ากันฟังเขาตีกันนะนะหรือฟังหมาเห่าตอนกลางคืนเราจะนอน หมาเห่าไม่เลิกลำคาญใจทีแรกไม่ลำคาญตอนนี้ลำคาญเพราะมีสิ่งมากระทบทางหูจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นได้กลิ่นหอมๆแม้ใจมันมีความสุขชอบได้กลิ่นเหม็นๆใจมันไม่ชอบแนละ้วได้กลิ่นแบบเดียวกันสมมุติได้กลิ่นเน่าๆ น, นะเราอยู่บ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆ เ, เ, เราบางทีสงสัยไอ้หนูมาตายไหมใจสงสัยความรู้สึกมันสงสัย ไปเดินอยู่ในวัดปา่ามืดๆได้กลิ่นอะไรเน่าๆคราวนี้ไม่สงสัยนะอาจจะกลัวเลยสงสัยผีมาแล้วนะนะความรู้สึกมันเปลี่ยนได้กลิ่นเหมือนเดิมะความรู้สึกยังไม่เหมือนเดิมเลยนะหรือเราเห็นคนเดิมนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมทานอาหารรสอันเดิมแหละความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมอย่างทานอาหารบางคนอาจจะชอบสมมติชอบทุเรียนชอบทานทุเรียนคาที่หนึ่งมมีความสุขเยอะใช่ไหม ทำที่สองสาสี่ไปเรื่อยๆนะความสุขค่อยๆลดลงเป็นปฏิภาคหกผันนะกลับข้างนะทันไปเรื่อยๆแล้วไม่ไหวแล้วเสีิดเสียเยียนรถก็อันเดิมแต่ความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบแต่ละคราวแต่ละคราวนะหาความคงที่ไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็นั่งคิดนะนี่ใจกระทบกนะับความคิดคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้กลุ่มใจคิดไปเรื่องนี้กังวล ความรู้สึกมันออกมาไม่เหมือนกันหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็ค่อยๆรู้ไปตามรู้ไปให้ความรู้สึกมันเกิดซะก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกขณะห้ามเผลอไม่ใช่นะผิดทันทีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ไปจ้องไว้ก่อนรอดูว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้กายานุปัสนาแปลว่าการตามรู้กายมาจากคําว่ากายคําว่าอนุคําว่าปัสนาปัสนาคือการรู้อนุแปลว่าตามตามรู้เวทนาเรียกเวทนานุปัสนาตามรู้จิตตัวเองเรียกว่าจิตตานุปัสนาตามรู้ไปเช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ไวๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องรู้แบบไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นซะ ก, ก่อนนะเช่นเป็นกโกรธอยู่แล้วเกินระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวกโกรธแล้วความระลึกได้นี่แหละเรียกว่าสตินะพวกเราอย่าไปแปลสติว่ากําหนดนะรุ้นหลังๆเราชอบไปแปลสติว่ากําหนดรู้ในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกไดนะ้เช่นใจเราแอบไปคิดระลึกได้ว่าอ้าวนี้ไปคิดแล้วนะเราไปดูเห็นคนเดินมาวิ่งไปดูเขาลืมตัวเอง อ๋อวิ่งไปดูลืมตัวเองไปแล้วความระลึกได้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจตัวเองนี่แหละเรียกว่าสัมมาสตินะเรียกว่าตัวสติตัวจริงๆ ง, งั้นคอยตามรู้ไปเรื่อยๆการปฏิบัติจะแสนง่ายเลยนะใครมาเรียนนะหลวงพ่อจะเล่าเรื่อยได้ยินซ้ำๆนะพวกมาเก่าๆบวกสมัยหลวงพ่อเป็นคารวะทำงานนะอยู่ทำเนียบรัฐบาลนะรับราชการ ตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์เนี่ยพอนึกได้ว่าวันจันทร์นีใจกระทบความคิดนะนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันสุกนะใจสดชื่นเลยนะแค่ใจคิดเท่านั้นเองความรู้สึกก็เปลี่ยนนะไปอาบน้ำํำอาบน้ําในตุ่มสมมติมหน้าหนาวตามองเห็นตุ่มน้ําให้ตาเห็นรูปใจมันสยองเลยมันกลัวตากระทบรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนไปทานอาหารนะ วันนี้เจอแต่ของอร่อยมันชอบใจเจอแต่ของไม่อร่อยไม่ชอบใจไหมริ้นกระทบรถความรู้สึกก็เปลี่ยนนะออกจากบ้านมาที่ถนนเห็นรถเต็มถนนเลยไม่สดชื่นเลยเห็นแล้วเบือ่อนะลำคาญงุนงินความรู้สึกมันเปลี่ยนก็รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขนะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ความจริงกายนี้ ก็ไม่เที่ยงนะะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุจิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเนี่ยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เลยสั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้สั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นของจริงเห็นของจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจนี่คือตัวปัญญาหนเอง วิปั ส, สนาเนี่ยคือการที่เราคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเมื่อเรารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเนืองเือ ง, นองในที่สุดเกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจอ๋อกายนี้จริงๆเป็นอย่างนี้เองใจนี้จริงๆเป็นอย่างนี้เองพอรู้ความจริงแล้วจิตใจจะปล่อยวางไปเองตรงนี้ไม่ต้องทำนะการปฏิบัติของเราแค่ตามรู้ลูกเดียวตามรู้ไปเรื่อยนะที่เหลือเนี่ยจิตจะพัฒนาไปเอง มันคล้ายๆการสะสมปัญญานะอย่างการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆลัสะสมปัญญาในเชิงปริมาณไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลันเปยนฉับพลันนะพลิกโลกเลยนี่หน้าที่มีนิดเดียวคอยอ่านใจตัวเองนะสำหรับพวกปัญญาชนทั้งหลายพวกปัญญาชนทั้งหลายพวกชอบคิดพวกชอบคิดเนี่ยนในคำภีเราสอนมาพวกชอบคิดหรือพวกทิฏฐิจริตเนี่ย ให้ดูจิตไปเรื่อยๆส่วนพวกโลภมากพวกรักความสุขรักความสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ให้รู้กายไปบ่อยๆเพราะกายนี่มันจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีหรอกพวกรักความสุขรักความสบายเนี่ยพอมารู้กายจะเห็นเลยว่าโอ้มันทุกข์นะมันไม่ใช่ของดีไม่แก้นี้ใส่รักสบายรักสนุกรักสวยรักงามพวกคิดมากยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองมาก มาดูจิตเห็นเลยจิตใจของเราแปรปรวนตลอดเอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างนะหาอะไรไม่ได้รู้แปมจะค่อยๆละความยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองไปทําได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเพราะคนในโลกเนี้ยมันตีกันทะเลาะวิวาทกันด้วยสองเหตุผลหนึ่งผลประโยชน์ขัดแย้งกันแต่ความคิดเห็นขัดแย้งกันผลประโยชน์ขัดแย้งกันเรียกว่าทะเลาะกันเพราะตันหาเพราะความอยาก ความคิดเห็นขัดแย้งกันนทะเลาะกันเพราะทิฏฐิเพราะความเห็นถ้าเรามารู้กายมารู้ใจตัวเองนะความอยากมันก็จะลดลงความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองก็ลดลงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงไป ใ, ใจจะมีความสุขความสบายแต่ไม่เฉยนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมอะไรเงั้นไม่ใช่ชาพุทธเลยนะบางคนบอกมีปัญหาชีวิตขึ้นมาช่างมันเถอะ แล้วแต่เวีนแต่กรรมนั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธไม่ได้ยอมจำนนกับกรรมเก่าอย่างนันชาวพุทธให้ความสําคัญกับกรรมใหม่คือการที่จะลงมือทําในปัจจุบันเมื่นอย่างมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมาวิเคราะห์นะปัญหาอยู่ที่ไหนถ้าใจของเราเป็นกลางเราก็วิเคราะห์สภาพปัญหาได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากหน่อยไม่เข้าข้างตัวเองแก้ปัญหาก็ง่ายว่าไงคนนี้มีที่นั่งพิเศษ น่าสบายกว่าเพื่อนเลยนะแต่ไมเว้นตรงนี้ไว้ฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่วัฒนธรรมไทยเลิกนะมาก่อนนั่งหน้านะ <c oughs> บางแห่งนะบางวัดเขาแยกผู้หญิงข้างผู้ชายข้างนะบางแห่งผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังนะบางวัดเขาแบ่งแต่ที่สุรินไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะที่สุรินนี่นะเสมอภาคมาก ใครมาก่อนนั่งหน้าหลวงพ่อเรียนมาจากสุรินทร์เลยเออใจเด็ดเด็ดเลยนะอยากเรียนนะอยากเรียนจะไปหลบไว้ข้างหลังวันนี้แสกนะหลวงพ่อไม่เคยเห็นหน้าเยอะเลยมาจากไหนกันใครไม่เคยมาข้างหลังใครแนะนําให้มาล่ะเนี่ยน เ, เคยฝึกกันมาแบบไหนเคยปฏิบัติไหม ฝึกันมาแบบไหนล่ะอา้าวคุณผู้ชายใส่แว่นเป็นตัวแท น, นอ๋อส่วนโมกส่วนโมกก็ดีนะหลวงพ่อพูธดธาสสอนอานาปนาสตินะแต่อานาปนาสติไม่ใช่หายใจให้ขาดสตินะอานาปนาสติเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เอาสติมาเป็นเครื่องจ้อง เอาสติไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจจ้องจ้องแล้วก็เคลิมเคลิมใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นเรียกว่าอาณาปนานะไม่มีสติส่วนใหญ่ที่ทำมันไม่ค่อยมีสตินะเั้นต้องมีสติมีสติสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าหายใจเข้าระลึกได้ถึงลมหายใจออกไม่ใช่ระลึกว่าหายใจเข้านะไม่ใช่หายใจเข้าตอนนี้หายใจเข้าแล้วตอนนี้หายใจออกแล้วไม่ใช่ มันระลึกแค่ว่ามีธาตุที่ไหลเข้าไปมีธาตุที่เคลื่อนออกมามีธาตุที่เคลื่อนไหวเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนเป็นวัตถุเลยค่อยๆรู้ไปอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาอนาคนสติส่วนมากที่ทาจะเป็นสมถะเราจะใช้ลมหายใจมาถ้าทำสมถนะนั้นเรารู้ลมหายใจเอาสติระลึกลมหายใจระลึกเบาๆนะ ย่าะระลึกเคร่งเครียดไม่พิจั๋งเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ไม่มีวันสงบเลยะเพราะจิตจะสงบจิตจะมีสมาธิจิตจะต้องมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบให้เกิดความตั้งมั่นงั้นเอาสติะระลึกรู้ลมหายใจะระลึกเล่นๆระลึกสบายๆเหมือนนั่งดูคนอื่นหายใจนั่งดูเขาหายใจะระลึกไปลมหายใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมนิมิต หายใจไปเรื่อยๆมันจะเกิดนิมิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจะเห็นลมหายใจนี้เป็นแสงสว่างขึ้นมาเห็นเป็นเกลียวบ้างเป็นเส้นบ้างเป็นฟองบ้างนะเป็นแสงสว่างถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ทิ้งตัวลมหายใจเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์แทนนี่เป็นทางเดินไปสู่สมถะนี่พวกเราทําลําบากนะไม่ใช่พระเั้นเราทํา อนาพาณสติแบบประยุกต์ใช้ก็แล้วกันนะหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวไว้หายใจแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปแล้วหายใจไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเลยวิ่งไปวิ่งมารู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ทันจิตนะหายใจไปอีกหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจไปแล้วเคลิ้มรู้ว่าเคลิม หายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือเราหายใจนะเพื่อจะมารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไวนะถ้าอย่างนี้ง่ายเลยมันเหมาะกับคารวานะอย่างเราจะทำไปจนถึงชาญถึงไรมันไม่ค่อยถึงกันหรอกได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่ละเพราะงั้นหน้าที่เรานะหายใจเพื่อจะรู้สึกเพื่อจะรู้เท่าทันจิตใจ หายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วมีปิติรู้ว่ามีปิติหายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบหายใจแล้วใจหนีไปเที่ยวแล้หรือว่าหนีไปเที่ยวใช่ไหมใจหนีไปเที่ยวแล้วเนี่ยหนีอีกแว บ, บแล้วคุณผู้ชายนั่งเบอร์สีเนี่ยใจมันหนีไปเที่ยวไม่รู้ทันนี้อีกแล้วรู้สึกไหมไหลแว บ, บไปเฉยๆเลยสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัย รู้ลงไปตรงๆเลยนะอะไรเกิดขึ้นในใจรู้มันลงไปตรงๆนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรปุ่นไม่แกล้งทำปุ่นแกล้งทำลนะปล่อยทิ้งปล่อยลืมปฏิบัติไปนะนะยังบังคับอยู่ดูออกไหมไม่บังคับนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่บังคับมันรู้จักใจลอยไหมออรู้จักก็ดีแล้วนะ หัดใหม่ๆนะหัดรู้จักใจลอยนะเราใจลอยทั้งวันอ่ะทุกคนอ่ะใจลอยเนะภาษาพราขาดสติขาดสติลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆโยโยททำอะไรโยแกล้งทำอะไรแกล้งทำก็ใช้ไม่ได้นะพยายามอย่าฟังๆเพืจะแก้แก้การอัดให้แข็ง มันก็เป็นอุบายอยู่จใช้ก็ได้แต่ว่าเราก็รู้ทันว่านี่กำลังแก้นะแต่ว่าแก้ไปก่อนก็ได้เนี่ยทีมหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเพื่อนชวนมาหาหลวงพ่อเขาบอกเราว่าพามาวัดบอกแล้วอย่างดีนะบางทีเขาบอกพาไปเที่ยวเมืองการ หอกมานะบางคนเป็นผู้หลงผิดถูกหลอกมามาแล้วกลุ้มใจไม่อยากเรียนธรรมะอยู่กับตัวเรานะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพอ่อธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองธรรมะที่เราต้องเรียนรู้มีสองงานรูปธรรมคือกายนี้กนามธรรมคือใจนี้คอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะอย่าใจลอยไปคุณผู้ชายที่นั่งกคนที่ห้านี่ยใจลอยไปแล้ว รู้สึกไปเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนะสังเกตไหมว่าฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปฟังสลับกับคิดดูม อ, อกไหมนะต่อไปนี้มันไปฟังรู้ว่าฟังมันไปคิดรู้ว่าคิดนะแล้วจะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่จะรู้จิตใจตัวเองนะตัวนี้สำคัญหนึ่งสำคัญมากกว่าฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องพราธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะ ธรรมะของจริงคือกายกับใจเนี่ยเราไปฟังคนอื่นไม่ได้เราจะรู้กายรู้ใจเองได้ต้องรู้เอาเองคอยสังเกตเอาเองจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆร่างกายเราก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆต้องรู้เอาเองเั้นธรรมะไม่ได้มาอยู่ที่หลวงพ่อไม่ต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องมีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมคุณหมายเลขห้าเนี่ยมีวิคิดอีกแล้วรูเเวร้เปล่า รู้สึกไหมใจมันแข็งแข็งขึ้นมามันเกรงเกรงรู้ว่าเกรงนะรู้อย่างที่มันเป็นนะจริงๆการปฏิบัติกรแสจะง่ายเลยความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหมมีใครไม่เคยโกรธไหมขอชมโชมหน่อยมีใครไม่เคยโกรธมันะ้งใครไม่รู้จักโกรธมงอันนี้ไม่มีใครยกมือเลยนะถือว่ารู้จักทุกคนใช่ไหม ใครรู้จักกลัวบ้างใครเคยกลัวบ้างยกมือโชว์หนะ่อยไม่กลัวก็รู้จักมีแก้วไม่กลัวเก้าอยู่คนเดียว <c oughs> นี่ความรู้สึกนะทุกอย่างเรารู้จักอยู่แล้วอิจฉาอะผู้ชายอิจฉาเป็นไหนะก็เป็นใช่ไหมชายก็อิจฉาเป็นกังวลรู้จักไหมความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วอิจฉาก็เป็นกังวลก็เป็นกลัวก็เป็นนะ ดีใจก็เป็นเสียใจก็เป็นสุขก็เป็นทุกข์ก็เป็นรู้จักอยู่ทุกคนเลยหน้าที่ของเราต่อไปนี้เนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้ให้มันไวๆหน่อยอย่ามัวแต่รู้อย่างอื่นให้หันมารู้ความรู้สึกของตัวเองบ้างนะเช่นตามมองเห็นสาวไม่ใช่รู้แค่สาวนะใจเกิดมันใจตาไปเห็นสาวแล้วใจมันชอบให้รู้ว่ามันชอบเนี่ยแถมมาใหม่อีกนิดเดียว คนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยพอเขาตาเมาเห็นสาวเขาก็เห็นแต่าสาวผู้ปฏิบัติเนี่ยตาเห็นสาวใจมัชอบรู้ว่าใจมัชอบเนี่ผิดกับเขานิดเดียวยิงนะจมูกได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมคนทั่วๆไปโอ้ดอกไม้หอมดอกกุหลาบดอกแก้วดอกอะไรหอมผู้ปฏิบัติรู้ว่าใจมัชอบหอมแล้วใจมัชอบรู้ว่าใจมันชอบนี่ผิดกันนิดเดียวยิง คนทั่วๆไปมันรู้ได้แต่ของเปลือกๆผู้ปฏิบัติจะรู้เปลือกแล้วก็มารู้ทันใจของตัวเองสัหน่อยหนึ่งลิ้นกระทบรสเคนทั่วๆไปโอ้ยนี่อร่อยเพ่ิดเพลิอลอนอยู่กับรสผู้ปฏิบัติรู้ทันว่าใจมันชอบอนะไชอบรสอันนี้ใจไม่ชอบรสนี้รู้ทันใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความแตกต่างกับผู้ไม่ปฏิบัตินี้เดียวเอง เมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้รู้เท่าทันปฏิกิริยาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราแถมเข้าไปอีกนิดเดียวเองนะเช่นขับรถอยู่ถูกเขาปาดหน้านะคนทัวท่วๆไปถูกปาดหน้าก็จะไปมองให้คนที่ปาดใช่ไหมนะของเรายัางเห็นเลยความโกรธมันเกิดรู้ทันความโกรธในใจของเราเองนี่ผิดกับเขานิดเดียวเองนะ เการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยความรู้สึกทุกอย่างก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้มันมวแต่สนใจของอื่นๆสนใจรูปภายนอกสนใจเสียงต่งางๆสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจแต่ของนอกๆหรือไม่ก็สนใจแต่เรื่องที่คิดคิดเอาเองนั่งคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเราไปนี้เราคิดอดีตคิดอนาคตก็ได้เช่นเราคิดไปอดีตแล้วแหมมันมีความสุขนะรู้ว่ามีความสุข ใครอกหักมาใหม่ๆคิดไปอดีตแล้วแหมมเศร้าเศร้ารู้ว่าเศร้าไม่ใช่รู้แต่เรื่องที่คิดหรือคิดอนาคตไปบางคนคิดอนาคตแล้วฝันหวานเลยแม้แ่มชื่นใจข้างหน้ามันปลอดโปร่งมีความสุขรู้ว่ามีความสุขบางคนคิดถึงอนาคตแล้วกังวลกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยต่างกับคนปฏิบัติเกิดไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวเท่านี้เองอย่างนี้พอทําได้ไหม ไปฝึกอานะฝึกเอาหัดดูจิตใจตัวเองบ่อยๆหัดรู้บ่อยๆแต่ไม่ใช่นั่งจ้องเอาไว้การนั่งจ้องเอาไว้ใช้ไม่ได้การลืมไม่รู้มันก็ใช้ไม่ได้แพระพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมจักกับวัตนัณสูตรนะท่านบอกว่าทางที่ผิดมีสองอันที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรเสกอันที่หนึ่งหลงตามกิเลสไปหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ อีกอันหนึ่งก็คือการทำตัวเองให้ลําบากาตากิลมัฏฐานยโยกนั่งเพง่งนั่งจ้องนั่งกดนั่งข่มควบคุมตัวเองทำตัวเองจนเครียดเลยเหมือนทางที่ผิดมันมีสองทางทางที่ถูกคือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองคนเมืองส่วนมากนะพวกปัญญาชนทั้งหลายใจมันคิดทั้งวันให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป การดูจิตใจตัวเองเนี่ยดูกันสองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตใจอย่างความรู้สึกสูงความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโลภโกรธหลงนี่ความรู้สึกนะพฤติกรรมก็มีบางทีมันก็วิ่งไปทางตาบางทีมันวิ่งไปทางหูบางทีมันวิ่งเข้าไปในความคิดเนะี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเนะนี่ยนีไปคิดแล้วคุณที่ใส่แว่นอ่ะทราบไหม <c oughs> เนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมกระโดดแป๊บแป๊บไปไงนัะ้นอ่ะมีหน้าที่แค่คอยรู้ไม่ห้ามนะเราจะดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าอ้ามันวิ่งไปวิ่งมาได้เองแฮนะมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเลยเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยนะสักยทญาติมีมจะขาดนะแต่ถ้าบังคับมันนิ่งโอ้จิตเราดีอย่งเลยเราเก่งเราฝึกเก่งนะสักยญาติถีก่ก็ยิ่งพอกคูณขึ้นมาเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม บังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันจะฟังมันก็ฟังมันจะหนีไปคิดมันก็ไปคิดนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่แค่เราเริ่มเห็นจิตใจของเราครั้งแรกแรกเนี่ยเรายังเริ่มเห็นใจรักแล้วเลยนะเห็นไปจนจิตยอมจำนนกับข้อเท็จจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงจริ ง, รงนะสักยญาติที่จะขาดมรรคจะเกิดขึ้นมาสักยญาติที่โีขาดตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณที่ใส่แว่นเน่ยยังไม่เลิกคิดอ่ะรู้สึกไว้นะ เออใครรู้สึกตัวให้อย่างนี้นะรู้สึกบ่อยๆไม่ใช่ฝันไปนะรู้สึกดีละอา้าวคุณผมยาวๆแล้วนะ่ะใจลอยรู้จักไหมนะ่ะที่นั่งต่อจากคุณผู้ชายเนี่ยทีหลังต้องมีป้ายชื่อหรอมั้งผมพอเรียกไม่ถูกต้องติดหมายเลขนะชูหมายเลข <c oughs> ปฏิเวสเป็นไงปฏิเวสพาเพื่อนมาปฏิเวสวันนี้ดีล้ว นะพอวันหยุดงานแล้วจิตเลยสบายสบายรู้ว่าสบายนะดีแล้วความรู้สึกตัวจริงๆเป็นอย่างเงี้ยใสๆโปร่งๆเบาๆนะสงสัยไม่เอานะมีวิธีคิดเอไม่เอาพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อช้าไปนะมาเรียนช่วงนี้คนเยอะนะตอนตั้งวัดใหม่ๆคนน้อยเขาเรียนง่ายหน่อย ตอนนี้มากันมากๆหลวงพ่อดูแลได้ไม่ทั่วถึงต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆนะช่วยตัวเองให้มากๆด้วยการไปอ่านหนังสือนะหรือฟังซีดีของหลวงพ่อมีแจกให้ฟังฟังแล้วฟังอีกฟังไปเรื่อยๆเถอนะฟังซ้ําแล้วซ้ํำอีกก็ได้เคยมีแล้วบางคนฟังอยู่เรื่องเดียวอ่ะมีอยู่แผ่นเดียวแล้วตอนนั้นเป็นแผ่นซีดีธรรมดามีอยู่ชั่วโมงหนึ่งแคฟังอยู่เรื่องเดียวตัวก็ตื่นขึ้นมาเลย แต่ฟังแล้วฟังอีกเมื่อวานเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนก็มีพระมาจะกสายลงข้อเทียนบอกท่านฟังได้ไปแผ่นเลยท่านฟังทุกวันเลยฟังเห็นเพื่อนโหเลยท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าแค่ท่านขยับนี่แค่ท่านตื่นเต็มที่เลยะตื่นจริงๆเลยนั้นช่วยตัวเองนะพยายามฟังไว้ฟังแล้วก็สังเกตที่ใจของเราไว้สลบงพ่อดูแลได้ไม่ทั่วถึงละ หมายเลขสี่เนี่ยอย่าบังคับตัวเองรู้สึกไหมว่าไปบังคับมันให้มันทื่อๆเอาไว้อะสงสัยรู้ไหมว่าสงสัยนะหัดรู้ลงไปตรงๆนะรู้มันเป็นยังไงเนี่ยหนีไปคิดอีกแว็บหนึ่งและแต่มันหนีแว็บไปคอยรู้ทันมันนะรู้อีกแว็บหนึ่งแล้วดูออกไหมสงสัยอีกแล้วรู้ไหม <c oughs> หัดดูไปนะหัดดูไปเรื่อยๆ คุณตูธำส่งกันบ้านไหม เครียดเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสูธรรมต้องรู้มันด้วยใจเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางอยากให้หายเครียดเห็นความเครียดเกิดขึ้นไปนั่งดูมันอยากให้หายไม่หายนะเพราะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตจิตดวงนั้นประกอบด้วยโทสะละคือไม่ชอบความเครียดถ้าใจเราเป็นกลางเห็นจิตที่มีความเครียดเกิดขึ้นเรารู้สักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นกลางกับมันไม่เกลียดมันนะมันจะดับทันทีเลย ไม่ต้องทันนะตามรู้ไปเออต้องอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปเนี่ยพายุเริ่มก่อตัวก็จะเห็นแะ้ะจะเห็นตั้งแต่มันตัวเล็กตอนนี้มันตัวใหญ่สู้มันไม่ไหวไ ถ้าไปแค่ใจมันเริ่มขัดใจเล็กๆก็เห็นละขัดใจนิดๆนะพอเห็นปุ๊บขาดไปเลยมันก็ไม่โกรธตัวใหญ่ขึ้นมางั้นเราการปฏิบัติของเราเนี่ยใหม่ๆนะเราก็เห็นได้แต่อารมณ์ที่หยาบแนละ้วพออารมณ์หยาบจริงๆเนะี่ยสติเกิดไม่ไหวสู้ไม่ไหวสุขมันครอบงําใหม่ๆก็แพ้มันบ้างไม่เป็นไรนะ ก็คอยรู้ไปนะไปรู้ไปเรื่อยๆอใคมันกน็เห็นดูไม่ดูเหมือนกันหลวงพ่ออู้ขี้เกียจดูทีวีรู้สึกโอ้ภาวนานนะรู้สึกตัวแมมันสบายไปดูทีวีแล้วมีแต่ขยะ จิตเราคุ้นเคยที่จะตกใต้อำนาจกิเลส ช, ชนิดไหนนะมันก็แพ้ง่ายนะมันเป็นความเคยชินคืออนุสัยมันแรงอนุสัยมันแรงกล้านะเราสะสมกิเลส ช, ชนิดนี้ไว้เยอะมันก็ครอบงําเราได้เยอะหน่อยนะต่อมาเราสะสมสติสะสมปัญญาไปเนะนะอนุสัยก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆมันค่อยเปลีป่ยนตัเองอย่างกลัวเนี่ยแก้ยากนะกลัวเป็นโทสะชนิดหนึ่ง คนที่เลิกกลัวจริงๆเนะี่ยต้องผ้านาคาเพราะงั้นกลัวเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหลวงพ่อหัดภาวนานะภาวนาจนชำนิชำนาญ น, นะเมื่อก่อนกลัวผีที่สุดเลยนะกลัวผีขนาดแมวที่บ้านตายลูกแมวตายยังไม่กล้าหลับเลยกลัวมันมาเข้าฝันนะ่ะดูกลัวได้ละเอียดรอพิถีพิถันมากนะ เราค่อยฝึกไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูนะนค่อยเบาบางไปบางคนก็มีกิเลสที่เป็นจุดอ่อนของเราถ้ากิเลสตัวนี้มามันจะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยมันเคยชินเคยชินที่จะแพ้มันกิเลสใหญ่ๆไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ทำกิเลสเล็กๆน่ากลัวกิเลสยิ่งละเอียดเข้าไปนะหน้าตาคล้ายๆกูสนอย่างเช่นว่าอยากปฏิบัติเนี้ยเรารู้สึกอยากปฏิบัติก็ดีแล้วนี่ พออยากปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติก็คือปรุงแต่งายกุศลเกิดขึ้นมามีกิเลสเกิดขึ้นก่อนคืออยากแล้วก็ลงมือปรุงแต่งกุศลกุศลที่เอาความอยากมาแต่งนี่มันโลกียะ ก, กุศลจะได้เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหมไปไงแล้วไปเห็นอะไรได้บ้างือเออนะเห็นกิเลสดีที่สุด หนะลวงพ่อือษีตาสุดท้ายท่านก็เอาท่านนะท่านก็เลิกแบบนั้นนะออกรู้ออกเห็นเนี่ยมันก็ดีทําให้เราเชื่อมั่นว่าเออตายแล้วมันเกิดจริงนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีจริงๆนะนะ อ, อ้ามทําให้เชื่อมั่นแต่ถามว่าทำให้พนทุกข์ไหมจะไม่พนทุกข์นะวิธีพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยเข้ารู้กายรู้ใจของเรา พระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติก็อยู่ในหลักของอริยสัจนั่นเองทุกให้รู้ทุกคือกายกับใจเนี่ยให้เราคอยรู้ไปสมุทัยคือความอยากนะให้ละเสีนะเช่นอยากปฏิบัติรู้ทันไม่อยากปฏิบัติเลยนะไม่ต้องไม่ต้องอยากปฏิบัติหรอกแต่ว่าคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปแต่ถ้าอยากปฏิบัตินําหน้าเราจะไปเพ่งกายเพ่งใจรู้จักเพ่งเห็นไหมเพ่งเก่ง โทสะดูง่ายที่สุดเพราะว่าโทสะเป็นของหยาบนะพระพุทธเจ้าสอนโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่ละง่ายที่ล้าง่ายเพราะเห็นง่ายนะโลภะหรือราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ละยากาละยากเพราะไม่เห็นราคะเช่นอะไรยกตัวอย่างนะราคะละเอียดละเอียดเช่นมานั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกมีความสุขแหมพอใจเพลิดเพลินในธรรมะนี่ราคะนะระวังนะ แต่ใหม่ๆไม่เป็นไระแต่พอปฏิบัติถึงคั้ละเอียดนี่กิเลสเล็กกิเลสนะ้อยยิ่งกิเลสละเอียดนี่หน้าตาเหมือนกูศลเลยอย่างเป็นต้นว่าเราไปเห็นครูบาอาจารย์หลวงพ่ออย่างเงี้ยไปเห็นหลวงปู่สุวัสดิ์ตอนนั้นท่านเพิ่งกลับจากอเมริกาไปเห็นนะโอ้ทําไมจิตของท่านดีอย่างนี้นะไม่จิตเราจะได้อย่างท่านเนาะรู้สึกดีดีปลื้มใจมากเลยนะรู้สึกเคารพรู้สึกรักครูบาอาจารย์มากเลย แต่เสร็จแล้วเห็นเฮ้ยท่านดีเว้ยเราไม่ดีเว้ยนะทำไงเราจะได้อย่างท่านเห็นไหมเราตัเบลอเลยนี่ยคือกิเลส ท, ที่เรียกว่ามานะรู้สึกแหมยกย่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมนี่แท้เป็นกิเลสนะมีเรามีท่านขึ้นมาเี่ยหรือว่าปฏิบัติอยู่นะจิตใจรู้สึกตัวไปจนไม่ปรุงอะไรช่วงสั้นๆเสร็จแล้วก็คิดขึ้นมาเอ๊ะต้องดูมันซะหน่อย จะได้เกิดปัญญาความจริงฟุ้งซ่านนะเราไปเห็นอุทัศ จ, จะเป็นตัวปัญญาไป <Yeah. S 1> นั้งกิเลสที่ละเอียดนะหน้าตาเหมือนครูสอ <c oughs> รู้สึกยากปฏิบัติยากปฏิบัติแล้วแหละฟุ้งซ่านนะนะจิตใจที่พยายามดูโน่นพยายามดูนี้นั้นแหละจิตฟุ้งซ่าน <Yeah. S 1> นั่นกิเลสพอละเอียดแล้วก็โอ้ดูยาก อย่างการที่จิตใจเรารักความสุขรักความสงบไม่อยากสูงสิงวุ่นวายอะไรกับใครคนเขาตีกันด่ากันเราก็เดินหลีกไปนะเข้าใต้ต้นไม้ทำสมาธิสุขสงบเราไม่เห็นว่ามีราคาแท้กเราพอใจในความสุขความสงบนี่เป็นราคาที่ละเอียดยั่งกิเลสยิ่งละเอียดก็ยิ่งดูยากกิเลสที่พวกเราจะเห็นก่อนก็กิเลสหยาบเพราะฉะนั้นโทสะเห็นง่าย ท่านถึงสอนว่าโทสะละง่ายละง่ายเพราเห็นง่ายนะส่วนโมหะเนี่ยมีโทษมากนะละยากด้วยละยากเพราะไม่เห็นมั น, นมีโทษมากโมหะเช่นความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยบางทีฟุ้งในธรรม ะ, ะเราคิดว่าดีนะฟุ้งในธรรมะ น, ะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตกันคุยธรรมะกันนึกว่าแหมดีได้บุญครอบคลุมความฟุ้งซ่านนะ อย่าเล่นเยอะนะพวกเด็กๆชอบเล่นเร็จคุยธรรมะมากเกินไปไม่ดีสนทนาทำตามการนะเป็นมงคลนะสนตลอดการไม่เป็นมงคลนะฟุ้งซ่านใจหนีไปรู้รู้อหมหนีแวบบแวบบไปนะให้ค่อยรู้เรื่อยๆนะรู้เล่น ๆ, นะนๆอย่าจริงจังการปฏิบัติเนี่ยอย่าจริงจังนะ แต่ว่าขยันดูขยันรู้อย่าทําเพราะว่าอยากขออยากปฏิบัติที่จะนั่งเพง่งนั่งจ้องเราใช้ไม่ได้เราจะต้องคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าใจลอยไปถ้าหลงไปทางทวาลทั้งหกเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้านั่งเพ่งเอาไว้มันนิ่งผิดความจริงรู้สึกไหมใจมันนิ่งมันนิ่งผิดความจริงรู้สึกไหมเพราะประคองมันไว้ ดูออกไหมยังประคองมันอยู่ยังควบคุมมันอยู่ดูออกไหมนะค่อยๆรู้ไม่ต้องแก้นะค่อยๆหัดรู้ไปนี่คือความปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นคนดีรักษามันไว้จิตใจนะรู้ตามว่าเป็นจริงไม่ใช่บังคับมันนะต้องใจเด็ดๆนะอย่า ก, กลัวบางคนกลัวกิเลส นั่งจ้องไว้ทั้งวันเลยกลัวกิเลสมาเกรงไปทั้งตัวเลยไม่รู้หรอกว่าอนั่นอะไรกิเลสหลอกเราเพราะฉะั้นไม่ต้องกลัวกิเลสนะแต่ก่อนอื่นถือศีลห้าไปก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนต้องมีศีลห้านะต้องรักษาไว้นะมีศีลห้าแล้วก็มาเจริญสติอ่านใจตัวเองเรื่อยๆพอตาเรามองเห็นกิเลสจะเกิดในใจเราคอยรู้ทันหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดที่ใจคอยรู้ทันหัดไปอย่างนี้ต่อไปมันมีสีอีกชนิดหนึ่ง ทีแรกเราคือศีลห้าไว้ก่อนนี่ศีลข้างนอกคือเก็บปากเก็บมือเก็บเท้าไว้ก่อนนะต่อมาเราจะคอยรู้ทันพ า, ามองเห็นเห็นสาวเนี่ยใจเกิดราคะเราเห็นแล้วราคะจะครอบงําใจเราไม่ได้รนะับรองว่าไมไ่เป็นชู้เขาไม่เป็นหลอกลวงเขาศีลนะข้างนอกมันเกิดขึ้นเองนะเห็นศัตรูหรือถูกเขาดา่าความโกรธเกิดขึ้นที่ใจอูได้ยินเสียงเขาดา่าความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทัน ความโกรธจะครอบงําใจไม่ได้รับเราไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาศีลข้างนอกเกิดเองแต่เบื้องต้นก็ต้องมีศีลข้างนอกไว้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อขอลองภูมิเด็กๆหน่อยเอาเสื้อเหลืองเนี่ยศีลห้ารู้จักไหมวันก่อนหลวงพ่อถามรู้จักศีลห้าไม่รู้จักข้อหนึ่งว่าไงหันมองกันใหญ่เลยนะทีมนี้ก็เหมือนกันแหะนะถ้าถามกูหันนีไ่ไปหันมาอีกละ ถามว่าใครเป็นพ่อพระพุทธเจ้าตอบว่าเทวทัตรู้สึกก็คือปึกษาไม่รู้สอนมันยังไงใครหัดรู้สึกไปนะรู้สึกสังเกตไหมเผลอไปเลยนยะส่วนมากบลง n ์ไปเลยเมื่อกี้นียรู้สึกไหมนะใจแบล n k มาเฉยเฉยเลยนะคอยรู้สึกไป ทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดมานะเป็นความถือตัวนะมานะเป็นกิเลสตระกูลโลภะทิฏฐิเป็นกิเลสตระกูลโลภะเหมือนกันอ่ะะแต่โคร่านกันทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นผิดมานะเป็นเรื่องความถือตัวอย่างอาสมีมานะถือว่าเราแน่เราเก่งนะบางคนก็ถือว่าเรา เรากับเขาพอๆกันนี่ก็มานะนะอเราแย่กว่าเ้าโอ้เขาดียังเลยเรามันแย่อย่างเลยมีเราขึ้นมาน่ะมีมานะส่วนทิฏฐิเป็นเรื่องความเห็นผิดเช่นเห็นว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วต้องเกิดเนี่ยวิญญาณดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดนี่เรียกทิฏฐิเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิชื่อเต็มๆเป็นเรื่องความความคิดความเห็นที่ผิดพลาด ส่วนมานาเป็นเรื่องการสำคัญตัวมีเราขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมามานาเนี่ยนะต้องพระอระหันตเยาละได้นะเฉั้นจึงมีเรามีเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าสุธรรมดูตรงนี้แยกแยกระหว่างความยึดในความคิดเห็นของตัวเองออกไป เวลาเรามีความคิดความเห็นออกมาเนี่ยสังเกตใจเรายึดถือในความคิดเห็นของเรารุนแรงไหมนะอย่างนี้ค่อยๆดูไปต่อไปเราจะคลายความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองลงอ้ามจะค่อยๆคลายไปนะพวกเราหลายคนเลยนะมีความทุกข์เพราะว่ายึดในความคิดเห็นของตัวเองมีความเห็นอย่างนี้ยคนอื่นต้องทําอย่างงี้นะผิดมาตรฐานฉันไม่ได้เลยฉันเอาเรื่องโมโห แล้วมีความทุกข์นะตัวเองเครียดมากเลยมีแม่บางคนเนะมีมาตรฐานสูงมากเลยลูกตื่นนอนต้องดื่มนมก่อนนะถัดจนี้จะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับนะคุณพ่อบ้านจะต้องอย่างนี้ต้องนี้มีแต่ต้องทั้งบ้านเลยนะ <c oughs> ต้องอย่างขาหนีไปหมดบ้านเลยนะเสร็จแล้วหาความสุขในใจไม่ได้เลยวันวันหนึ่งใครแต่คิดจะควบคุมคนอื่นเขาเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเจ้ามาตรฐาน ถ้าเราคอยรู้ทันแล้วเราสบายขึ้นเยอะเลยมีผู้หญิงคนนึงรู้จักกันนะแกมีความเห็นมากบอกให้แกคอยรู้ทันเวลาจิตใจมันออกความคิดความเห็นนะแกไปดูแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวนี้แกมีความสุขขึ้นเยอะเลยทั้งลูกทั้งสามีก็บอกว่าเขาก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะเพราะตัวเจ้าความเห็นนี่ลดความคิดความเห็นของตัวเองลงคือทาดูนะมันมีความคิดความเห็นได้นะ แต่ดูว่าเรายึดถือมันรุนแรงไหมถ้ายึดถือไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ค่อยเบาลงมงั้นเราเราเราทำนั้นถูกต้องคนอื่นผิดหมดนะในลูกสาวอยู่ไหนลูกสาว โอ้ลูกสาบางมิดเลยไม่เห็นเลยนะจริงๆนะไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องฟั่งเยอะก็ได้ฟั่งมากคิดมากนะเอานิดเดียวก็พอนะสังเกตใจของเราเรื่อยๆทำต้นทา ง, งการปฏิบัตินะนะเดี๋ยวมันพัฒนาไปเองแหละนะถ้าโสดาบันนะั้นก็แค่ละความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรา นะอย า, ากละความเห็นผิดก็รู้ลงไปจริงๆของจริงไม่ใช่เราอยู่แล้วนะเมื่อไรละความเห็นผิดก็เป็นพระโสดา บ, บันนะเป็นพระโสดา บ, บันแนละ้วจิตใจนะมันก็ยังคอยไหลเข้าไปยึดอารมณ์อยู่เรื่อยๆจิตนะ้มีศีลบริบูรณ์เลยเพราะมีสติไว้กิเลสเกิดขึ้นที่จิตนิดเดียวก็มองเห็นนะเพราะฉะนั้นศีลนี่บริบูรณ์เลยเกิเลสมันครอบงําใจไม่ได้นานกิเลสหยาบมาปุ๊บมันเห็นเลยเกิเลสมันจะล่วงไป เพราะฉนั้นพระโสดาบันก็เลยมีศีลบริบูรณ์แต่ถามว่าจิตจะตั้งมั่นจริงไหมไม่ตั้งมั่นหรอกจิตยังแฉลบไปแฉลบมาเหมือนปุถุชนนั่นแหละแล้วมีปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันคือมีปัญญาแค่รู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิน้นรู้แค่นี้เองนะนี้พอเราหัดตามรู้กายตามรู้ใจต่อไปเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นพระสกิทาขาศีลบริบูรณ์อยู่แล้ว สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมีมากขึ้นฉลบน้อยลงแล้สังเกตไหมใจเราฉลบตลอดเวลาดูออกไหมแวบบแว บ, บแว บ, บแว บ, บตลอดไม่มีตั้งมั่นหรอกนะเพราะไม่มีมันเกลี้ยกล่อมตัปัญญานะีพระสกิธาคาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นแต่ยังปัญญาเล็กน้อยนะถ้าอนาคาเนี่ยจิตมีสมาธิบริบูรณนะ์แนละ้เพราะว่ามีปัญญาระดับกลาง ปัญญาระดับกลางเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเมื่อไหรจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดในตัวอารมณ์แนละจิตจะทุกข์ถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดจิตไม่ทุกข์หรอกงั้นจิตมันจะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนี้นทั้งวันเลยโดยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษามันไม่ไหลไปมันจะตั้งมั่นเป็นตัวผู้รู้อยู่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ตัวเนี่ยตัวผู้รู้นี่จะเด่นดวงชัดอยู่อย่งนทั้งวันโดยไม่ต้องประคองรักษาเพราะมันมีปัญญารู้ว่าถ้าไหลเข้าไปยึดอารมณ์เมื่อไรมันจะทุกข ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกนี่เป็นปัญญาระดับกลางทําไมถึงว่าเป็นปัญญาระดับกลางเพราะมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งอย่างพวกเราปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไปติดอยู่แค่นี้เห็นแต่ว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์วันหนึ่งปฏิบัติต่อไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกระทั่งตัวจิตผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงตัวจิตผู้รู้ธาตุรู้เนี่ยเป็นทุกข์นะ เป็นอนัตตามันทุกข์โดยตัวของมันเองจะอยากหรือจะไม่อยากมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองนี่เป็นปัญญาขั้นสูงเห็นอริยสัจแจมแจ้งแล้วนะคือเห็นตัวขันนั่นแหละเป็นตัวทุกขนะ์ไม่ใช่ว่าขันที่ไม่ดีถึงจะทุกข์นะขันอะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยตัวจิตผู้รู้ซึนะ่งว่าดีวิเศษมา ก, มากๆยังเป็นตัวทุกข์เลยนะพอเห็นอย่างเนี้จิตก็จะปล่อยวางความยึดถือจิตนะนี่เป็นปัญญาที่บริบูรณ์เป็นขั้นสุดท้าย ขอเราทําต้นทางนะอย่าคิดเยอะคิดมากยากนานนะหัดรู้ง่ายๆใจของเราวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้นะเ็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ลูกเดียวไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องบังคับรู้อย่างที่มันเป็นนะวันหนึ่งอยากเกิดความเข้าใจอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะอย่างนี้สักยัติจิขาดพอแล้วกันนะวันนี้ มาเยอะเรียนยากเอาซีดีไปฟังเอาเองนะถ้าใครใครรักดีก็